บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในเรื่องของธาตุนั้นที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานในสูตรพระทรงจำแนกไว้เพียงสีธาตุดังกล่าวแล้วแต่ในทาตุ ก, กรรมพิพังกสูตรทรงจำแนกธาตุออกไปถึงหกประการ ซึ่งตามปกติแล้วจะทรงแสดงแนวนั้นวัาะทาตุโยบริโสดุรอนภิกษุทั้งหลายบุรุษนี้คือคนนี้มีธาตุทุกคือดินน้ำลมไฟอากาศธาตุและวิญญาณธาตุอากาศธาตุจึงกลายเป็นอารมณ์ของกรรมฐานอีกประการหนึ่งแต่เป็นการปฏิบัติในชั้นที่ประนีตขึ้นไป หลังจากผู้ปฏิบัติได้ผ่านกะสินนิมิตไปแล้วก็รู้สึกมองเห็นโทษของรูปด้วยประการต่างๆเช่นรูปนั้นเป็นที่ตั้งของโรคตามสำนวนที่ท่านใช้ภาษาบาลีว่าเป็นรังของโรคและจะต้องเปื่อยพังไปโรคสารพัดอย่างที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่บุคคลทั้งหลายนั้นก็เกิดขึ้นที่กายนี้ แม้แต่การสร้างเวรสร้างภัยการประทุสร้ายการเบียดเบียนกันในหมู่สัตว์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่อิงอาศัยกายคือวัยวะมือเท้าทั้งนั้นถ้าหากว่ามีแต่จิตคือเจตนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีกายเป็นที่อาศายัยก็ไม่สามารถที่จะทำกรรมประเภทที่เกี่ยวกับวจีกรรมและกายกรรมลงไปได้ ท่านเหล่านี้มองเห็นโทษของร่างกายมองเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนติอิงอาศัยกายและจะพยายามสำรอกใจของตนให้ออกจากอะไรคือความจินดีในกายมาเพ่งพินิษดูอากาศอากาศจึงเป็นอากาศสถตดที่ทรงแสดงว่า ได้แก่ช่องว่างต่างๆที่มีอยู่ในกายนี้เช่นช่องหูช่องจมูกเป็นต้นและแม้แต่ช่องว่างระหว่างส่วนต่างๆหรือเสลนต่างๆที่มีในกายก็มีส่วนที่เรียกว่าอากาศอยู่ในที่นั้ น, น, นอากาศจึงมีอยู่ทั้งที่เป็นภายในและทั้งที่เป็นภายนอกการกำหนดพินิษ์พิจารณาในตอนแรกก็มุ่งเน้นให้เกิดความสงบ โดยตั้งจิตมนสิการในคราวแรกว่าอากาศอากาศด้วยไปจนจิตใจรวมอยู่ที่อากาศแล้วก็กำหนดพิจารณาว่าอนันโตอากาโศอากาศหาที่สุดไม่ได้อากาศหาที่สุดไม่ได้าาดไไดเป็นตํานองการบริการมเช่นเดียวกับผู้โทเป็นต้นเหมือนกันและเมื่อมีการบริกรรมไปบริกรรมไปใจของบุคคลก็จะสงบ แต่ความสงบนั้นพึงเข้าใจว่าเป็นการสงบอย่างลึกซึ้งกว่าส่วนของสมถกรรมฐานเหล่าอื่นทั้งนี้เพราะว่ากว่าบุคคลจะมาบำเพ็ญอากาศกรรมฐานหรือเรียกว่าอากาศสานัญจายตนะได้ก็จะต้องผ่านอารมณ์ของสมถกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งในส6ข้อมาก่อน อากาศจึงเป็นประเภทที่เรียกว่าอารูปกรรมฐานคือกรรมฐานที่มีอรูปเป็นอารมณ์เพีงพินิจอยู่จนเกิดความสงบแต่พอเข้าถึงความสงบ ก, ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือจะผ่านขั้นตอนไปโดยลำดับจนในที่สุดใจของผู้ปฏิบัติก็จะมองเห็นว่าแม้อากาศเองก็ไม่ใช่เป็นของที่ควรยึดควรถือแต่ประการใด ต่อแต่นั้นใจก็จะดำเนินเข้าไปสู่ครองของอรูปกรรมฐ า, านข้ออื่นๆโดยดําดับแต่สำหรับในที่นี้จะกล่าวโดยในยะหนึ่งหรือโดยปริยายหนึ่งซึ่งเป็นหลักที่ผู้ปฏิบัติสามารถจะปฏิบัติได้ในอิริยาบถต่างๆในชีวิตประจำวันของตนนั่นคืออาศัยคุณลักษณะของอากาศซึ่งบางครั้งบางคราวท่านก็ นำไปอุปมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของนิพพานเช่นนิพพานเป็นความเที่ยงแท้ไม่มีสิ่งปรุงแต่งอากาศก็เป็นความเที่ยงแท้ไม่มีสิ่งปรุงแต่งเป็นต้นประเด็นที่น่าศึกษาอยู่ประเด็นหนึ่งคืออากาศเป็นที่อิงอาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ก็นี้เป็นที่ประจักษ์แก่ใจของบุคคลทั้งหลายว่า คนเราถ้าขาดอากาศก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เช่นเดียวกับการขาดดินขาดน้ำขาดลมขาดไฟดังกล่าวในตอนก่อนประเด็นนี้มีนัยยะที่ควรศึกษาด้วยหลักของมนสิการคือการดำรงชีวิตของบุคคลทั้งหลายมีปัญหาเกิดขึ้นในหมู่นักวิชาการที่พยายามสแสวงหาคำตอบว่า คนเราเกิดมาเพื่ออะไรบ้างคนเราเกิดมาทำไมบ้างในการแสวงหาคาตอบเหล่านั้นบางคนก็พูดมาจากความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเรียกว่าพูดจากโลกกระทัของตัวอาจจะมีความฝังใจมีความปักใจอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเป็นการมองโลกในมุมใดมุมหนึ่งตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแต่ถ้าหากว่า <c oughs> จะมองโลกในแนวของพุทธศาสนาตามหลักที่เป็นจริยาของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ดีการเกิดนั้นเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากกิเลสและกรรมอย่างที่ทราบกันตราบใดที่บุคคลยังมีกิเลสอยู่การทำกรรมทั้งส่วนดีและส่วนชั่วก็จะเกิดขึ้นปริมาณของกรรม ที่บุคคลเก็บสะสมเอาไว้นั่นเองเป็นตัวตกแต่งให้บุคคลไปถือกำเนิดในคติในภพนั้นๆตามสมควรแ ก, กร่กัรอาจจะประนีตบ้างอาจจะหยาบบ้างอาจจะกลางกลางบ้างบ้างอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่า <c oughs> กรรมเป็นตัวจำแนกให้คนเลวและประนีตแตกต่างกันแต่ว่ายังไงก็เกิดมาแล้ว ดังนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่สังขารร่างกายอวัยวะต่างๆอยู่ในวิสัยที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและบุคคลอื่นได้ในเรื่องนี้ถ้ามองในแนวของพระพุทธศาสนาก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าให้บุคคลพยายามเพ่งพินิจดูสังขารในแง่ของความเป็นจริง ว่าสังขารนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมาประจมุมาปรุงแต่งมาประกอบกันเข้ามีการสมมติบัญญัติกันเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขากันโดยหนาจตัาหามานะทิฏฐิแต่ว่าสังขารนั้นก็คือสังขารเป็นการเกาะกลุ่มกันด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับทั้งด้านขึ้นและด้านลงเมื่อเหตุปัจจัยแก่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเรามองพระพุทธดัมรัสที่สัตว์อันถือว่าเป็นปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าคือพระโอวาทครั้งสุดท้ายทําให้บุคคลมองเห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นเกิดมาเพื่ออะไรได้เกิดมาแล้วจะทําประโยชน์อะไรได้ตามนญาติที่ทรงแสดงไว้ว่าดูก่อนผู้เห็นภายในสังสารวัฏทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้ทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมจะดับไปนี่คือปกติธรรมดาของสังขารซึ่งจะต้องเป็นเช่นนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นเช่นนั้นไปได้ภาพเหตุการบุคคลเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธธรรมหัสข้อนี้ในสัตว์จะทำข้อนี้นั้น ยืนยันตัวเองอยู่ตลอดว่าเป็นเช่นนั้นแต่ปัญหาสำคัญในชีวิตของบุคคลก็อยู่ที่โมหะคือความหลงเป็นต้นมาปิดบังปัญญาจักสุดวงตาของปัญญาแห่งบุคคลทั้งหลายไว้ทำให้บุคคลไม่ยอมรับความเป็นจริงตกอยู่ในฐานะของผู้มัวเมาประมาทโดยการปล่อยการเวลาที่ไม่เชี่ง ให้ผ่านพ้นไปอย่างที่ไม่เที่ยงคือไม่ได้สาระประโยชน์อะไรเป็นต้นและที่ร้ายขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือการเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลให้มากขึ้นภายในจิตสันดานของตนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตอกย้ำลงไปและถือได้ว่าเป็นการสรุปรวมคำสอนในด้านเหตุเอาไว้ ว่าเธอทั้งหลายจงชังประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้ในลักษณะเหล่านี้ก็มาจับได้กับคุณของอากาศประเภทที่กล่าวแล้วเกื้อากาศทําหน้าที่เกื้อกูลแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามท้งนแล้วแต่อิงอาศัยอากาศด้วยกันทั้งนั้นและจากนายนี้ ก็จะเห็นได้ว่าการที่บุคคลได้อุบัติบังเกิดมาเป็นชีวิตเป็นร่างกายเป็นคนเป็นสัตว์แล้วสิ่งที่จะต้องตรักในเบื้องต้นก็คือมองให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตซึ่งจะตเกิดขึ้นมาและประสบกับความแตกดับในโอกาสใดโอกาสหนึ่งความแก่ความเจ็บความตายนั้น ได้ติดชีวิตของคนมาตั้งแต่ต้นแล้วแกพร้อมที่จะแสดงตัวออกมาตลอดเวลาเมื่อได้เหตุปัจจัยเข้าสนับสนุนพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มองชีวิตในแง่ของความเปลี่ยนแปลงว่าเหมือนโคที่เขานำไปสู่โรงฆ่าสัตว์ทุกย่างเท้าที่โคก้าวเดินไปโอกาสที่จะใกล้ความตายก็ามาถึงเข้าเรื่อยๆ ความแก่ส่งชีวิตบุคคลเข้าไปสู่ความเจ็บและความตายจะโผล่ตัวเองออกมาตัดชีวิตอินทรีของบุคคลนั้นให้ขาดลงนี่เป็นสภาวะธรรมที่ใครไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่โอกาสที่บุคคลจะตักตวงฉกสวยเอาผลประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนของชีวิตนี้ ให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานั้นก็อยู่ในวิสัยที่จะทำได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนแนวนี้ในรูปของให้กำหนดรู้ไว้เท่านั้นไม่ไปฝืนไม่ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรมันแต่ก็อาจจะชะลอความแก่ความเจ็บความตายไปได้ด้วยการบริหารในส่วนที่เป็นร่างกายและในส่วนที่เป็นจิตใจคือให้แก่น้อยลง หรือเจ็บน้อยลงหรือให้ตายชา้าลงแต่ท้งนี้ท่านั้นไม่ได้หมายความว่าบุคคลจะหลุดพ้นจากสภาวะเหล่านั้นไปได้การที่พระพุทธเจ้ารับสั่งสอนให้บุคคลพยายามใช้ช่วงของชีวิตที่ประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและแก่บุคคลอื่นด้วยความไม่ประมาทซึ่งหมายความว่าให้รีบเร่งกระทํา ในประโยชน์ทั้งที่เป็นการเกื้อกูลแก่ตนและแก่บุคคลอื่นทั้งจะต้องเป็นการกระทำด้วยความไม่ประมาทข้อนี้บางครั้งบางคราวทรงแสดงในรูปของการระลึกทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเช่นทรงสแสดงว่าเมื่อกุศลและเจตนาบางเกิดขึ้นปรารถนาที่จะทำความดีความอย่างใดอย่างหนึ่ง กูคนจะต้องรีบเร่งกระทําเสียในทันทีทันใดนั่นเองเพราะถ้าปล่อยการในเนิร์นานไปแล้วอกุศนทุจริตต่างๆก็จะเข้าครอบงำใจและในที่สุดก็จะทําไม่ได้หรือบางทีก็ทอดระยะไปเวลาเป็นเวลานานจึงจะกระทําได้อีกครั้งหนึง่งเพราะในขณะที่กุศลบางเกิดขึ้นนั้นอกุศลแกก็พร้อมที่จะบางเกิดขึ้นเหมือนกัน ทัง น, นี้ก็ขึ้นอยู่กับพลังของกุศลและอกุศลที่มีอยู่ภายในใจว่ามีอะไรอยู่มากกว่าชันทรงสแสดงว่าเมื่อจาฆ่าเจตนาคือเจตนาที่จะบริจาคบังเกิดขึ้นนั้นเพียงดวงเดียวแต่มัดเจรจิตคือจิตที่ประกอบด้วยความประนีจะเกิดขึ้นทับท้วงห้ามปรามป้องกันแม้บุคคลกระทำความดีเป็นร้อยครั้งผ่านครั้งได้แกนถ้าจิตใจของบุคคลไม่แข็งแกร่งมากพอ คนก็ทำไม่ได้เลิกละถดถอยต่อรองลงไปโดยลำดับซึ่งบางครั้งบางคราวก็ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นตนนี่ก็คือการรีบตักตวงเอาความดีกามด้วยความไม่ประมาทในแต่ละขณะของอารมณ์แต่การจะรละลึกรู้ทันอารมณ์จนเกิดเป็นความเฉลียวฉลาดในอารมณ์และทำใจของตนให้อยู่เหนืออารมณ์เชนั้นได้ จำเป็นจะต้องอาศัยขั้นตอนแห่งการ ป, รปฏิบัติดังนั้นธรรมะในทางศาสนาทุกขั้นตอนจึงมีลักษณะเป็นเครื่องขัดเกลีบรรดากิเลรให้บรรเทาบาบางลงไปโดยลําดับเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นความเกื้อกูลแก่ตนและเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นข้อนี้จึงถือว่าเป็นการได้คําตอบ ตามหลักของพระพุทธศาสนาว่าชีวิตร่างกายของบุคคลเรานั้นเกิดขึ้นมาจากแรงผลักดันของกรรมเป็นเงื่อนไขของกรรมและเงื่อนไขของสังสารวัฏแต่เมื่อบุคคลได้ชีวิตมาแล้วจะต้องมุ่งไปที่เป้าคือการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและแก่บุคคลอื่นดังกล่าวข้อนี้มองย้อนกลับไปที่ จริยาอันเป็นปณิธานของพระพุทธเจ้าเราจะมองเห็นภาพเหล่า น, นี้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่ารูปแบบชีวิตของอัจฉริยะมนุษย์ทั้งหลายในโลกมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นก็คือลีลาชีวิตที่ควรถือเป็นแบบอย่างของบุคคลผู้ไม่ประมาททั้งหลายเพราะการบําเพ็ญพระบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าในการ สร้างสมอบรมบา ร, รมีมาเป็นเวลานานนั้นมีเป้าหมายอยู่ที่สองประการเช่นเดียวกันคือพระองค์เองนั้นมุ่งจัดสรุปพระอนุตต ร, ส, รสัมาสัมโพธิญาณถ้าจะถามมามุ่งจัดสรุปเพื่ออะไรเพื่อพระองค์จะได้ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ด้วยพระองค์เองเมื่อดับแล้วจะทำอะไร จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นความเกื้อกูลสิ่งที่อำนวยความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายนี่คุณลักษณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเน้นไปที่เป้าเหล่านี้ถึงเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นแต่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นชั้นสมบูรณ์ต่เวลาสอนพุทธบริษัททั้งหลายนั้นทรงสอนให้ ทำด้วยความไม่ประมาทเพราะคนเรากว่าจะทําให้สมบูรณ์ได้นั้นจะต้องอาศัยการเวลาความเพียรพยายามในลักษณะที่ไม่ทอ้อถอยพอมามองดูการประดิษฐ์สถาบันสถาบันสูงขึ้นก็มีลักษณะอย่างนั้นเพื่อทำประโยชน์ของตนให้สมบูรณ์อย่างในกรณีที่ทรงพระสาบวกไปประกาศพระพุทธศาสนาในคราวแรกท่านเหล่านั้นทําประโยชน์ตนสมบูรณ์เพราะเป็นพระอาหารหันต์แล้ว พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าลูกกรพภิกษุทั้งหลายปัต t ี้เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ขอให้เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นก็คือการทำงานเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ของบุคคลอื่นเช่นเดียวกันปนัญหาสำคัญในชั้นของการปฏิบัติที่จะยืนหยัดอยู่ในส่วนนี้ได้ก็ต้องอาศัยคุณลักษณะของอากาศอีกประการหนึ่งคือความไม่เปลี่ยนแปลงสถานะของตัวเอง ข้อนี้บุคคลอาจจะน้อมนำมาเป็นแบบในการดําเนินชีวิตหรือเป็นหลักของจิตใจได้เพราะในการศึกษาก็ดีในการปฏิบัติก็ดีนั้นมีแรงประทะจากอากุศลสูงมากถ้าหากว่าไม่มีความมั่นคงจริงๆแล้วโอกาสที่บุคคลจะเปลี่ยนแปลงนั้นได้ง่ายเท่านั้นเพราะตามปกติแล้วจิตมันก็เปลี่ยนอยู่เป็นปกติของมัน พอประสบกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามาควบคุมบงังคับบัญชาข้าวจิตใจอ่อนไหวก็เปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ว่าในชั้นของศรัทธาในชั้นของศีลหรือในเรื่องอื่นๆก็ตามครั้นี้พึงดูตัวอย่างในกรณีของศรัทธาจะพราว่าในขณะที่เราสวดประกาศด้วยความมั่นคงแ น, แน่ทั้งกายทั้งวาจาแล้วเปล่งออกมาจากจิตใจ พระที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยอำนาจสั จ, จวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเวลากล่าวถึงพระธรรมกล่าวถึงพระสงฆ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่วก็จริงก็จะพบเห็นว่าบางครั้งบางคราวก็มีความเปลี่ยนแปลงภายในความรู้สึกนึกคิดภายในสัจจะปฏิญาณเหล่านั้น อาจจะไปนับถือไปเชื่อถือไปบูชาไปยอมรับสิ่งเหล่าอื่นในลักษณะใกล้เคียงหรือเสมอกันกับพระพุทธเจ้านั่นก็หมายความว่าความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจแะนั้นการปฏิบัติที่จะให้เกิดเป็นประโยชน์กือกูลแก่ตนและบุคคลอื่นได้จึงต้องเพียรพยายามอยู่ในจุดของความไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าจะมีความเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงในกรณีที่สูงขึ้นประนีตขึ้นสงบขึ้นของการศึกษาของการปฏิบัติของความอย่างลงอย่างมั่นคงแห่งศรัทธาก็ดีปัญญาก็ดีตามหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งสูตรในการปฏิบัติเพื่อเกิดผลเช่นนั้นท่านแสดงว่าจะต้องมีสัมมาปฏิปทา คือการปฏิบัติในทางที่ชอบแต่จะถามว่าชอบอย่างไรก็จะมองเห็นทางเดินของชีวิตได้อย่างชัดเจนว่าในอริยมรรคไมองค์8ประการนั้นจะมีคําว่าชอบอยู่ทั้งนั้นคือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบความพยายามชอบระลึกชอบตั้งสติมั่นชอบ การปฏิบัติชอบจึงมุ่งหมายเอาการปฏิบัติที่ดําเนินไปตามหลักของอริมัติทั้ง8ปประการไม่ว่าในส่วนของกายในส่วนของวาจาหรือในส่วนของจิตใจก็ตามจะต้องอยู่ในแนวของหลักศีลสมาธิปัญญาตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆแต่ในการปฏิบัติชอบนั้นเองก็ต้องทวนกระแสขึ้นไป และเป็นกระแสที่รุนแรงของกิเลสจึงบางครั้งพระพุทธเจ้าก็อุปมาว่าเป็นโอคะคือห่วงน้ำใหญ่อันแรงมีกามโมคะห่วงน้ำคือกามความอยากได้ปรารถนาพอใจยินดีในอารมณ์ต่างๆเป็นต้นตัวกระแสเดียวก็หนักไปแล้วแต่ยังมีโอคะอีกตั้งหลายสายซึ่งแต่ละสายก็มีความรุนแรงท่งนั้น ดังนั้นจึงต้องเป็นการปฏิบัติที่ท่านเรียกว่าปฏิบัติไม่ถอยหลังคือจะต้องก้าวรุดไปข้างหน้าเรื่อยไปเป็นการต่อสู้ต่ออารมณ์ต่อกิเลสเหล่านั้นอย่างมีความแน่วแน่และมั่นคงบางครั้งอาจจะมีความเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานอยู่บ้างก็ต้องต้องพยายามมองให้เห็นในเรื่องเหล่านี้อย่างพระเถระ รูปหนึ่งซึ่งบำเพ็ญเพียรด้วยความเหนื่อยยากมากโรคภยคัยไข้เจ็บเสียแทงอย่างรุนแรงแต่ท่านมีจิตใจที่มั่นคงนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ภิกษุทั้งหลายก็ข่วงใหญ่ในการกระทำเช่นนั้นของท่านท่านบอกว่าไฟนรกนั้นมันร้อนแรงกว่านี้ท่านทนทุกทรมานขนาดนี้ก็ไม่รุนแรงอะไรมากนัก และในที่สุดก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรต่อไปนั่นหมายความว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ยอมถอยกลับทั้งในด้านกายด้านวาจาด้านจิตใจแนวการปฏิบัติไม่ถอยกลับันก็คือหลักของสัมมาวายามะนั่นเองข้อนี้จะสังเกตได้ว่าในสัมมาวายามะคือความพยายามชอบนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิต ที่กรุวดไปข้างหน้าอย่างน้อยที่สุดคือตั้งหลักได้แต่จะไม่ถอยกลับมาข้างหลังโดยทรงใช้ถ้อยคาเหมือนกันว่าให้ปลุกฝังความพอใจใช้ความพยายามมีความเพียรสืบเนื่องกันไปประคองจิตไว้ในจุดที่สํารวมระวังได้ในจุดที่ละได้ในจุดที่สร้างกุศลให้เกิดขึ้นได้ซึ่งก็หมายความว่า อารมณ์อันใดก็ตามที่สามารถสำรวมระวังจนใจไม่เกิดกำหนัดเกิดขัดเคืองเกิดรุ่มหลงเกิดมัวเมาในอารมณ์นั้นจะประสบอารมณ์ในลักษณะนั้นอีกกี่ครั้งก็ตามก็จะไม่เกิดความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัมมวเมาซึ่งในกรณีนี้บางครั้งบางคราวเราก็ต้องอาศัยพื้นฐานความคิด ที่เป็นพาสิทธ์เป็นคำพังเพยเป็นคติโบราณของคนเฒ่าคนแก่ที่ท่านแนะนำสั่งสอนไว้ซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นอุบายวิธีที่จะสร้างภูมิต้านทานให้แก่จิตใจของตัวเองจนเกิดอารมณ์ฉุนเชียวขึ้นมาต้องการจะโต้อตอบท่านบอกให้นับหนึ่ ง, งถึงสิบจะก่อนเป็นต้นนิรุนแล้วแต่เป็นคติที่ให้จิตหยุด การปรุงแต่งซึ่งเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นต่มาตั้งต้นกันใหม่โดยการนับหนึ่งถึงสงินั่นก็หมายความว่าช่วยให้ความรุนแรงของกิเลสเบาบางลงไปและเพื่อให้เกิดผลสมบูรณ์เวาลาการปฏิบัติทุกขั้นตอนก็จะพบว่าในชั้นข้องการเว้นพระพุทธเจ้ามักจะใช้คำเป็นคู่คู่ไปว่าไม่ทำ ตนเองให้เดือดร้อนไม่ทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนไม่ทำทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนการกระทำอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองแก่บุคคลอื่นหรือเดือดร้อนเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องที่ควรแก่การละเป็นในชั้นกองการประพฤติปฏิบัติก็จะทรงสอนแนวนั้นว่าการใดเป็นประโยชน์แก่ตนเองด้วย เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยหรือเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นการนั้นก็เป็นการที่ควรทำแต่ละข้อแห่งพระพุทธดำ ร, รัสเป็นการตรัสถึงการใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้วทั้งนั้นดังนั้นเพื่อเกิดผลเช่นที่กล่าวมาจึงทรงใช้คำว่าอปจจนนิกะปฏิปทา คือจะต้องเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นค่าศึกจะถามว่าเป็นค่าศึกแก่ใครเป็นค่าศึกทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นเช่นเดียวกันปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในชีวิตของคนพระเจ้าประเสริฐที่กุศลได้เคยกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบุคคลบุคคลบุคคลบางคนกล่าวว่าข้าพเจ้ารักตนรักญาติพี่น้องรักครอบครัวเปน็นต้น แต่ในขณะเดียวกันการกระทำของเขานั้นเองขัดแย้งกับคำพูดของเขาเช่นสร้างเหตุของอันเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนแก่บุคคลอื่นโดยการประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจซึ่งแต่และอย่างนั้นเป็นเหตุที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ตนเองพูดเพราะเหตุเหล่านั้นมีความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นผล เมื่อเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนก็กระทบถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมีบุตรภัญญาสามีญาติพี่น้องตลอดทังวงตระกูลเป็นตน้นบุคคลเหล่านี้แม้จะพูดว่ารักตนถนอมตนแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นคนรักตนถนอมตนแต่ประการใดบุคคลบางคนอาจจะไม่พูดว่าข้าพเจ้ารักตนรักครอบครัวรักบุตรภัญญาสามีเป็นตน้นแต่เขาสร้างเหตุที่จะเกิดเป็นความเกื้อกูลความสุข แก่ตนเองแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยการประพฤติสุดจริตทางกายวาจาใจบุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้รักตนพระพุ้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาในความคิดเห็นของพระเจ้าประเสริฐที่โกศเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่จะทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นได้นั้นจะต้องไม่มีการปฏิบัติที่เป็นฆาตศึกทั้งแก่ตนและคนอื่น ค่าศึกในส่วนตนนั้นได้แก่ความคิดที่เป็นค่าศึกซึ่งข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าความด âm ริผิดหรือด âm ริชอบนั้นพร้อมที่จะเป็นมิตรเป็นศัตรูแก่บุคคลคือถ้าด âm ริผิดก็เป็นศัตรูด âm ริชอบก็เป็นมิตรดังนั้นคุณความดีที่บุคคลจะพึงได้จากอากาศ จึงสามารถนำไปใช้ได้ในด้านต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป